อะไรลงไปทีเกี่ยวอะไอไ อ, อ้ตรงนี้ใครไม่ไ ม, ไม่ชัดช่วยพูดตรงนี้หย่าผ่านนะ อ, อ่าฟังให้ดีเอาตั้งใจให้ดีพเพราะว่าตรงนี้สําคัญมากที่ที่วัดหัวตลบผมเจอหลวงตากราบหลวงตาครั้งแรกก็ทิชชู่เนี่ยทําให้ผมเข้าใจหลวงตาก็โยนอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่พอโยนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะทําอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงอ่ะ ไม่ต้องมีตัวเราเปรับทบมันก็แค่ที่เหมือนเป็นมันจะโยนกี่ครั้งกี่ครั้งแต่ปัญหาก็คือเราคิดว่าเราจะเปรับเับมันไปยุ่งกับมันทุกอย่างเราเรามีความเป็นเจ้าของในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ต้องคืนผมคุณนณนย้อนเล่นคุณนันย้อนเล่นแล้วคุณนันจะเข้าใจพอปล่อยวางแล้ว ใช่แต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนการดําเนินชีวิตที่ที่คุณนั้นพูดทั้งหมดเลยต่างกันตรงที่ว่าไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นทั้งหลายแหลเนี่ยคุณนั้นไม่ต้องไปมันต่างกันตรงนี้เพราะว่าในเมื่อเราไม่มีแล้วเราจะ อ, าอะไรไม่รองรับเขาเราไม่ต้องวางอะไรเราไม่ต้องทําความมีให้เป็นความไม่มีเพราะมันไม่มีอยู่เดิวทุกอย่างเกิดดับเหมือนทิชชู่นะ มันเกิดเพราะมีเหตุเมื่อกี้ตอนที่มันลอยมันมีขดยนมันมีเหตุของมันแล้วมันก็ดับก็เราแค่รู้ว่ามันเกิดดับแต่เราไม่ก็เท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่ที่เราเราเผลอล้วคุ้นแล้วเคยแล้วอะไรก็จะหรือไม่ชอบไปก้อนนั้นปัดมันหรือใช่ชอบรีบคว้ามันเข้ามาการปฏิบัติธรรมก็ก็แค่นั้นเองแล้วมันก็จะไม่ปวดหัวสาธุ เข้าใจค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่เผลอไปว่าตัวเรามีคือไอ้ตัวถ้ารู้มันก็ทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งจริงๆมันก็จะไปวางก็ไม่ได้จะไปได้แค่รู้ค่ะะรู้อย่างเดียวแต่จะไปรับไปปล่อยวางไม่ได้ฮแล้วเราก็จะเผลอเอาตัวเราไปเป็นผู้ปล่อยวางก็คือถ้าเมื่อไหร่รู้ว่ามีอาการปล่อยวางก็แสดงว่า อ่าขันท่าทํางานอีกแล้วไลอยเข้าใจเข้าใจแล้วอก็ไล้ดูแล้วว่ากับด้าน อ, อจริงความจริงนั่นก็กท่องได้หมดแล้วทั้งโลกเนี่ยจะต้องมีไปให้มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิน้นสุดทางธรรมนี่ยก็คือว่าไปให้ติ้นสุดถึงความไม่มีใช่ไหมหรือท่านบอกว่ า, วาการปฏิบัติธรรมเนี่ยไปให้สุดขุดให้ถึง ซึ่งความไม่เกิดไม่ดับความไม่เกิดไม่ดับก็คือความไม่มีถ้ามีมก็ต้องเกิดดับอไปให้สุดคุณได้ถึงการปฏิบัติทําไปให้สุดคุณได้ถึงคือไปไปให้สุดคุณได้ถึงความไม่เกิดไม่ดับก็คือความไม่มีเองถ้าสิ่งใดมีสิ่งนั้นย่อมเกิดดับหมดความไม่มีเท่านั้นแหละจึงไม่มีการเกิดดับเราก็ได้ยินมากราบัจริญทุกคนแล้วแต่ปฏิบัติ่หลายคนก็ยังพลาดโดยการนี่บางคนเนี่ยพยายามไปทําลายความมี ผิดพลาดอาหารมากเลยนะเนี่ยหลายคนก็ปฏิบัติพยายามไปทํำลายความมีพยายามทําให้มันไม่คิดทํำให้มันนิ่งๆทําให้มันเฉยๆกลายไปซื่อบื้อไปเลยเออไปอย่างเงี้ยไปพยายามทําลายความมีคือความมีกับความไม่มีมันขัดต่อเรื่องกันกัดานกันเพราะว่าความมีมันมาจากความไม่มีแต่เราพยายามไปทําลายความมีเสแล้วมันก็กลายไอ้ผู้พยายามไปทําลายมันก็เป็นความมี มันก็เลยกลายเปความมีตัวใหม่เรื่อยๆไปเพราะว่ามันมีตัวผู้ที่ไม่ชอบใจความมีมันจะไปทําลายความมีให้มันไม่มีคือ <ขา S 1> ให้ความคิดมันนิ่งมันเฉยเลยสมองมันเลยทุบไปเลยเออปฏิบัติตามเลยเออไปเลยแตฐฐ่ละคนเนี่ยเพราะอะ<ก>ไร <accelerator> มันเอาไอ้ความปรุงแต่งไปทําลายความปรุงแต่งเอาความปรุงแต่งไปทําลายความปรุงแต่งคือเอาความพยาพยามไปพยาพยามพยายามพยายามยามไปทําลายความมีให้หมดเลยมันคิดปุ๊บตัดคิดปุ๊บตัดคิดปุ๊บดับคิดปุ๊บตัดคิดปุ๊บดับอ่ามันก็เลยกลายเป็น ไปตัวที่มาพยายามดับมันก็เป็นตัวความปุงแต่งแทนแที่อย่างเงี้ยนะแทนที่จะเอาอ้คิดปุ๊บตัดคิดปุ๊บตัดคิดปุ๊บดับแล้วแทนที่อย่างเงี้ยมันมันต้องดับไปตัวที่พยายามไปดับเขาด้วยแท น, นอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ไตัวนั้นก็เป็นตัวปุงแต่งมันไม่เห็นเนี่ยพยายามจะไปดับแต่ความคิดให้มันหายไปหมดมันจะเเหลือความว่างแล้ไอ้ตัวที่พยายามจะไปลังเกียดความมีเนี่ยจะให้ไปเหลือความว่างเกียดความมีไปชอบความว่างอันเนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ดับไปด้วยไอ้ตัวนี้เป็นกิเลสอยู่เนี่ยต่อไปดับความคิดจะไม่ดับไป ในความที่รังเกียจความความคิดลังเกียจความมีแลไ้ไปชอบความวางไอ้ตัวนี้ต้องดับไปตัวนี้เพราะไอ้ตัวนี้คือกิเลสใช่ไหมในตรงเนี้เราก็พูดไอ้อจี้มะช้าเนี่ยมะช้าพัาจจี้หลายคนตรงเนี้ยจี้มะช้าเนี่ยจี้โดยเฉพาะยมจี่มเนี่ยโดนจี้มากเลยก็ยังง ง, งอยู่นี่ตอนเย็นม า, มาอีกซ้ําอีกทีก็ น, น่าจะดีขึ้นนะเนี่ยเพราะว่าปฏิบัติอะไรก็ถามถามได้แล่ะ หนูว่างไม่ว่างหนูปฏิบัติผิดก็ถูกหนูหนูมันเอาตัวหนูเนี่ยเป็นตัวศูนย์กลางเอหนูว่างแล้วใช่ไหมหนูหลงหรือไม่หลงเนี่ยหนูอย่างงู้นหนูอย่างเนี้ยเอมันเอาตัวเราไปตัวศูนย์กลางตั้งไว้ไอ้เนี้มันก็คือยึดถือผิดมันต้องปล่อยวางหนูปล่อยวางหนูเนี่ยอเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจช่วยช่วยกันนะ เ ข, ข้าใจค่ะกบสองคุณค่ะใครสงสัยด้วยค่ะอ๋อให้ไหมให้อรับมันจะได้ช่วยกันอ่าว่าไงอ่ะใครรู้อะไรนามสการค่หลวงพ่อคือก็เหมือนไม่มีอะไรจะถามพอดีว่าคุณเลยชวนมา พอีกลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยนะครับไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่อังกฤษนะค่ะก็เลยมากลับหลวงตาะคะ<ม>่ะปกติก็ปฏิบัติเองที่บ้านเพราะว่าที่โน่นจะไม่ค่อยมีวัดนะคะที่ไหนที่อยู่อังกฤษเหรอค่ะมีแต่ก็ไกลอ่ะค่ะอืมตอนนี้ไม่เป็นไรคำสอนหลวงตาก็เข้าไปถึงบ้านนะเนี่ยเ <c oughs> ขาเข้าไปทางไอ้อินเทอร์เน็ตขเข้าไปทางไหน youtube ไปยังจากเว็บไซต์ลงตานลงสัก .com เข้าไปถึงบ้านเลยตอนนี้เอาบ้านเป็นวัดเอาตัวเราไปเจ้าวาค่ะประมาณนั้นเลยค่ะบางทีก็อารวาสบ้างเหมือนกันนะเออาบ้านเป็นวัดเอาตัวเราไปเจ้าวาดนะตอนเนี้ธรรมะเนี่ยมนันเข้าถึงบ้านแล้ว <คะ S 2> เข้าถึงบ้านมีอินเทอร์เนต็ตหมนน <c oughs> คดคลิกเข้าไปก็ฟังได้ทุกท่าน ่ทำมาเข้าถึงบ้านแล้วเอาบ้านเป็นวัดเอาตัวเราเป็นเจ้าว่านนะอนับตอนนี้เป็นตนไปตะนี้ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะเราสามารถที่จะเอาบ้านเป็นวัดเอาตัวเราเป็นเจ้าว่าปฏิบัติตลอดเวลาค่ะก็ณนะปัจจุบันนี้ก็บางทีก็เหมือนไม่ได้ปฏิบัตินะคะเพราะว่าเขาจะเป็นของเขาเองเวลารู้ก็มีสติรู้ถ้าโกรธก็รู้ว่าโกรธ ถ้ารู้ว่ามีอะไรมากระทบก็รู้บางทีก็รู้ว่ามีตัวตนอยู่บางทีก็ไม่มีประมาณนั้นนะคะอืมอืมอม อ, ม อ, มอสงสัยอะไรไหมที่ฟังฟังเขาเนี่ยพอเข้าใจบ้างอหมเข้าใจค่ะที่คุณเมื่อกี้ที่อันนี้ก็คือแค่อธิบายนะคะไม่ได้สอนนะคะเอเอ—คือถ้า มันก็ต้องเดินไปตามถ้ามีปัญญาก็จะเข้าใจที่หลวงตาสอนก็คือทุกอย่างถ้าสติพร้อมสมบูรณ์แล้วปัญญาจะเห็นเองว่าที่หลวงตาสอนคืออะไระที่เขายังงงกลับไปกับมาก็คืออย่างที่หลวงตาสอนก็คือตาใจมันอยากเห็นความจริงข้างในค่ ะ, ะ, ะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็เข้าใจค่ ะ, ะ, ะแล้วก็ไปปฏิบัติให้ตาใจเราเห็นนี่จริงนะ แต่มันก<ช>็ยังไม่หมดค่<ช><จ>ะก็ยังมีอยู่เยอะสาธุสาธุแล้วมันจะกลับมันกลิ่เมื่อไรเนี่ยเอาหนังสือซีดีไปหนังสือซีดีได้ยังยังเลย ลนเอังสือมาอาัสือซีดีไมคครบชุดเลยเอากลับไปอังกฤษมีมีกาลยานามิตรปฏิวัติทําที่นุ่นแล้วเปล่าล่ะเอาไปได้ไหมสามารถเอาไปได้ก็จะให้เพิ่มไปอีกก็คือน้ำหนักกระเป๋าก็มีจากัดค่ะ ไปให้ก็ดูทางเว็บไซต์ดีกว่าดูดีพอได้ค่ะหนังสือก็คงอาจจะไม่ไหวค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ขึ้นเครื่องอ๋อจะจะเอเอาหนังสือไปชุดให้เต็มชุดให้เต็มชุดอ๋ออาจจะสองสามชุดก็ได้สามสี่ชุดพอขึ้นไหวแล้วพอขึ้นเครืบินไหว เอาเลยอ่าออพุทโธตโสองคตาพุทโธตโสองคนไอ้คนทุกคนทุกคนทุกไมรู้ทมทำอ่ะเอาอ้คนทุกคนทุกไมรู้ทำไม่ทำได้เถอะนะอ่าทุกแบมือแบมือแบมืๆแบมอแบมอป๊อ่านอนให้ไปเพื่อให้การยานมิตรเพื่อเอาขึ้นไปได้ดีละอยู่ประเทศอังกฤษก็อยู่ไกลก็สามารถปฏิบัติได้นะเออให เอาบ้านเป็นวัดเอาตัวเราเป็นเจ้าวาดนะแล้วก็ธรรมะก็เนี่ยแหละเข้าไปทางอินเทอร์เนต็ตเนะี่ยแะเข้าไปถึงถึงวัดเลยจ้ะแล้วนั่งไปดูไปดูกับขออนุ ญ, ญาตหลวงตาค่ ะ, ะก็มากราบหลวงตาครั้งแรกพี่สา ร, รธรรมก็ก็หนูเป็นคนเรียนหลวงตาแล้ ว, วเจ้าข่า ว, ว่าเป็นคนพูดหยิบ หยิบอ่าหยิบความรู้สึกขึ้นมาพูดไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องเจ้าค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจําอะไรเลยแต่ว่ามามากราบหลวงตาครั้งแรกเนี่ยก็ก็กลับไปปฏิบัติต่อก็ก็มีความชัดเจนขึ้นเจ้าค่ะตอนที่ที่ที่ถามตอบกับหลวงตานะเจ้าค่ะก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนหลวงตายิงเป็นมักเข้ามาเป็นพลังงานของหลวงตาเข้ามาค่ะ ก็หนูเป็นคนอ่าสมาธิจะนำสติอยู่เรื่อยๆเจ้าค่ ะ, อ ะ, ะพอฟังๆไปมันกเ็เข้าเข้าไปสมาธิอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าอสตินี่ก็จะจ ะ, จะอ่อนนะเจ้าค่ะทีนี้ก็ปฏิบัติก็จะเหมือนคุณพี่เมื่อกี้ก็พอเห็นขันห้าก็เข้าไปเป็นขันห้าเลยแล้วพอยิ่งยิ่งเราปฏิบัติไปไปนานๆเข้าเนี่ยขันห้ามันก็จะเหมือนคัดแล้วก็เข้าไปจับขันห้าได้ได้ไวขึ้นอาการมันก็ ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นแต่พอพอกราบหลวงตาสิ่งที่ที่ที่ทกลับตอนที่ฟังหลวงตาหนูก็ยังรู้สึกว่าหนูก็ตื้อๆคือหนูก็ไม่เหมือนไม่เก็ตแต่พอพอกลับไปนั่งเจ้าค่ะตอนที่ได้ถามหลวงตาก็ก็ได้เห็นก็ได้เห็นความหลงยึดสภาวะของตัวเองตอนที่หลวงตาเทศกลับมามันก็ยิ่งเห็นว่ามันก็ยังไม่ยอมปล่อย แล้วพอยิ่งพูดออกไปมันก็จนใจในะขณะนั้นแต่แต่เมื่อกลับไปในความความโง่ของหนูเนี่ยนะคะหนูก็หนูก็กลับไปหาที่ตรงนั้นที่หลวงตาบอกว่าถ้าที่ตรงนั้นน่ะมันมีอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นก็ไม่ใช่นิพพานแล้วหนูก็ก็รู้สึกว่าตรงนั้นมันเซฟมากะคะ่ะหนูก็เหมือนจะว่ามันก็มันก็จะกลับไปอะคะ่ะ ทีนี้พอมันจะกลับไปหนูหาเท่าไหร่หนูก็หาไม่เจอกราบขอบพระคุณหลวงตาสิ่งที่ได้ได้ถามตอบบ อ, อกหลวงตาหลวงตาทลายสมมุติต ร, ตรงนี้ให้ทลายประทานตรงนี้ให้อ่ะเจ้าค่ะแล้วก็ก็รู้สึกว่าตั้งแต่ไปกราบหลวงตาตรงนั้นก็ก็ได้ถอนอธิษฐานด้วยมันทําให้ทุกอย่างที่ปฏิบัติมาเอ่อมันมันกระจ่างชัดขึ้นแล้วพอเขาเข้าไปอยู่โดยที่เหมือนกับว่า เราเท่าทันตัวตัวที่งตัวที่เป็นตัวเราที่เป็นศูนย์กลางนะคะมากขึ้นเอ่อมันก็มันก็ธรรมะของครูบาอาจารย์พระแม่ครูบาอาจารย์ที่ที่ที่หนูได้ฟังได้ปฏิบัติมาเนี่ยก็เหมือนกับบรรจบมาที่เดียวกันความกระจ่างแจ้งกระจ่างชัดเนี่ยก็คือมากขึ้นนะเจ้าค่ะกราบขอพระคุณ อ, อย่างสูอองเจ้าค่ะแล้วก็เอ ทีนี้พอปฏิบัติไปก็ก็รู้สึกว่าจิตมันมันคล้ายๆว่ามันมันเปลี่ยนนะคะคือจากที่มันไปไปไปรู้อาการของขันฮ ะ, ะแล้วก็มันทุกข์มันมีอาการหนักๆขึ้นในจิตนะคะมันมันพอมีสัตยมันจะเหมือนกับว่าหนูรู้สึกเอ๊ะทำไมตอนที่ฟังหลวงตาสองท่านอื่นๆนะคะหนูเอ๊ะทาไมหนูหนูไม่เคยฝึกรู้มาก่อนเลยหนูหนูไม่มีสติหรือยังไงแต่พอหนูฟังหลวงตา แล้วก็กลับไปทําไอไอตัวที่ที่มันคอยพูดขึ้นมามันก็บอกว่าเออก็แค่รู้แล้วก็แปลกค่ะหลวงตาพอพอมันแค่รู้อย่างเงี้ยค่ะมันปล่อยเองแต่สมัยก่อนที่เราไปรู้ขันห้านะคะเราเราเร า, เ, าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราเป็นเรามีเราเป็ น, ปนแล้วก็เราก็จะไปปล่อยแล้วเราก็ไม่เคยปล่อยได้เลยแต่พอหม ที่ได้คุยกับหลวงตาได้กราบเรียนหลวงตาไปแล้วกลับมามันมันปล่อยได้คือมันปล่อยเองหนูยังงงเพราะว่าไอตัวตัวปงแต่งมันก็ยังวิ่งมาพากว่าตายแน่คือตอนที่มีผัสสะก้อนนั้นเข้ามามันมีตัวพูดขึ้นมาว่าตายแน่แล้วและอาการที่ปล่อยมันปล่อยออกไปเลยแล้วมันก็หายไปเลยหนูก็เป็นคนที่มีข้อเสียคือว่าเวลา เวลามีจอแสดงผลแบบนี้หรืออาการที่เห็นได้ชัดของอาการปล่อยเนี่ยหนูก็รู้ว่าหนูจะต้องเป็นคนเข้าไปยึดหนูก็พยายามดูดูไออาการตัวนี้นะคะที่แรกมันก็เห็นว่าเป็นขันห้าเนี่ยแหละรับผัสสะเข้ามาเสร็จ แ, แล้วมันคลายออกไปเองตรงนี้ชัดชัดชัดมากขน ง, งตาแล้วก็พอรู้จุดอ่อนของตัวเองมันก็พยายามดูดูเข้าไปเพราะว่าเรารู้ว่าทีแรกมันจะชัดเจนแบบนี้แหละแล้วพอต่อต่อมาเนี่ยมันจะต้องไม่ชัดเจนอะ ตามความรู้สึกของเราที่เราเคยเพียนมาเออมันก็จริงค่ะทีหลังเนี้ยมันทีแรกมันจะเหมือนมันรู้สติเนี้ยมันทําอะไรอยู่มันจะรู้ไปทั่วค่ะพอต่อมาแค่วันสองวันค่ะหลวงตามันมันเหมือนมันไม่ทําอะไรอีกแล้วแล้วก็มันมันเหมือนกับว่ามันจะเข้ามาดูเฉพาะว่ามันมีก้อนน้าหนักอะไรเกิดขึ้นในจิตเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องอื่นที่มันเป็นข้างนอกอะค่ะหลวงตา สมัยก่อนก่อนเจอหลวงตาเนี่ยหนูก็ยังมีออกเพ่งออกไปข้างนอกยังไปดูเรื่องข้างนอกบ้างนะคะแล้วก็แต่พอเจอหลวงตานะคะพระจิตที่มันเข้ามาปล่อยเองหลับเองปล่อยเองอะไรแบบเนี้ยมันมันเหมือนกับว่ามันมันก็ไม่ได้ส่งออกไปพราะมันไม่ได้ส่งออกไปมันก็มันก็ปล่อยแล้วมันก็เหมือนสลายอาการมันมันดูเฉพาะน้ําหนักที่เกิดขึ้นในจิตเท่านั้น ถ้ามันมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันเกิดน้ำหนักขึ้นในจิตทีแรกมันจะมีตัวภาคค่ะมันจะมีตัวพูดว่าตัวตนมันจะพูดแค่เนี้ยค่ะแล้วพอมันได้ยินคําว่าตัวตนเนี่ยเออมันก็จะมีตัวที่มันปล่อยออกไปเองเลยค่ะหลวงตาพอต่อมาหนูก็สังเกตดูว่าไอไอตัวที่ว่าพอมันรู้รู้ขึ้นไปเนี่ยมันก็สลายสลไหลไปเรื่อยๆแล้วมันก็เริ่มเหมือนกับว่ามันไม่รู้อะไรแต่ว่ามันรู้ค่ะเมื่อเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ มันมันก็รู้ขึ้นมาแล้วบางครั้งก็บางครั้งก็มีตัวภาคบางครั้งรู้แล้วมันก็มันก็เหมือนมันเหมือนมันสลายสลายไปแล้วมันก็ไปอยู่เฉพาะหน้าอีกอย่างเนี้ยค่ะมันก็เลยเป็นสภาพอย่างนี้ถูกต้องไหมคะหลวงตาถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็พอพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บมันมีวันหนึ่งที่ว่ามันอยู่ในบ่สนคุยกับคนอื่นอยู่ค่ะหลวงตา ภาวะที่ว่ามันมันปล่อยตัวเองได้เนี่ยมันมันก็จากคนที่เคยทุกข์มากๆเวทนาจิตเนี่ยมันชัดเจนทุกอย่างก็ก็กลายเป็นคนที่เหมือนกับว่ามันมันก็ว่าเหมือนไม่ได้ดูอะไรเหมือนไม่ได้ดูอะไรหนูก็เอหนูตั้งใจหนูไปปล่อยมันเร็วหรือเปล่าก็ทุกทุกครั้งที่ว่าหนูก่อนมาเจอหลวงตานะเจ้าค่ะก็ ก็รู้สึกว่าตัวเองที่หยิบมาพูดไม่ได้เพราะตัวเองเหมือนกับว่าสมมุติที่มันหยิบออกมาพูดหนูไม่ได้ศึกษาอะไรมามากมันมันมันไม่ได้ศึกษาเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วพอมันมาเหมือนจะมาหยิบมาพูดอยากจะมากราบเรียนหนูตานน่นนั่นนี่มันก็จะมีตัวตัวปุงขึ้นมาเพื่อเพื่อให้ให้หนูคิดว่าเออหนูจะเอาอะไรมาพูดอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไปเท่าทันตัวนั้นมากขึ้นรู้แล้วก็ ว่ตกวิจาอไรอเลยไปเรื่อยหนูก็ ด, ดูดูตรงนั้นไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาแล้วก็ไปนั่งนึกขึ้นได้ว่าวันที่กล่าบหลวงตาเนี่ยไอ้ที่บอกจําไม่ได้มันก็มีส่วนที่จําได้ที่ขานไปบอกหลวงตาว่าเออหลวงตาหนูหนูจําที่หลวงตาสอนไม่ได้เลยหลวงตาก็บอกว่าไอ้ตัวที่มันอ่ะที่มันอยากจะรู้เนี่ยมันที่มันจะตั้งคําถามจะเอาคําตอบเนี่ยมันคือสังขารมันไม่ใช่เรานะหนูก็หนูก็เข้าไปดูข้างใน หลวงตาตอบเนี่ยเข้าไปดูข้างในข้างในมันก็ไม่มีแต่ ก, ก็ชี้เข้ามาเลยว่าเห็นมหมมันไม่มีแล้วหนูก็จําความรู้สึกจําความรู้สึกอันนี้ได้เมื่อเมือ่อเมื่อตอนที่หนูมาปล่อยคือไม่ได้หนูปล่อยคือสภาะวะมันรับมาเองมันปล่อยไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีอาการอย่างนั้นที่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งพอหนูเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาคือฟังซีดีหลวงตาไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าตลอดเวลาเนี่ยหนูจะเห็นแต่แต่ขันห้า แล้วดูไม่เคยย้อนกลับไปดูอะไรอะไรยังไงเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ได้ยินคําว่าจิตเห็นจิตอย่างจำแจ้งเป็นมรรคมันทอ น, นึกไปถึงคํานี้หนูก็เตือนขึ้นมาเลยค่ะหลวงตาก็เลยอยากจะกราบขอข อ, อการฟังทำตรงนี้เจ้าค่ะนีแ่แหละครับก็อะไรก็ตามเนี่ยที่มันไหวๆๆขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็เห็นว่ามันเกิดเองดับเองเกิดดับเองดับเองเห็นอย่างเงี้ยจำแจ้งคือเห็นว่า กิจจิตที système, career, ่มันไหวๆไหวๆไหวๆขึ้นมาจากความไม่มีมีขึ้นมาแล้วก็ดับกลับไปสู่ความไม่มีไหวๆไหวๆไหวๆขึ้นมาจากความไม่มีกลับไปสู่ความไม่มีมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะตอนตลอดชีวิตเราเน่ยมันจะไหวๆไหวๆขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาแล้วก็ดับกลับไปคืนสู่ความไม่มีไม่มีใครไปยุ่งไปวุ่นวายอะไรกัมันเลยไม่มีใครไปจับไปละไปปล่อยไปวางไม่มีใครไปดูไปรู้ม้าหรอกมีแต่ว่าเรารู้แก่ใจว่าไม่มีใครไปยุ่งกับมันเลย มันจะจะไหวไวๆขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ดับไปสู่ความไม่มีซึ่แค่ยุ่งกับมันเลยทั้งอย่างเดียวคมันรู้แก่ใจของตนเองแค่นี้เองรู้แก่ใจว่าไอ้ที่ไหวๆขึ้นมามันก็นเรื่องมันแบบเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเองขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยจากความไม่มีแล้วก็เมื่อสิ้นเหตุปัจจัยมันก็ดับไปของมันเองมันเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยเมื่อสิ้นเหตุที่ปัจจัยมันก็ดับไปของมันเองมันมีแต่อย่างนี้แนะ เห็นอยู่อย่างเงี้ยรู้แก่ใจรู้แจ้งแก่ใจอย่างนี้แนะเออก็อย่างบางทีสังขารมันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันรู้เท่ามันไม่มีคําพูดหลงหลวงตามันก็หายไปเลยหนูก็เอ๊แต่มันก็เวลามีอะไรมันก็บางทีมันรู้เท่าแล้วก็ความรู้สึกมันมันเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วอย่างนี้มันมันใช่ไหมคะว่ารู้เท่าหรือมันไปล็อกไว้เจ้าค่ะเออไม่ล็อกหรอกมันก็อย่างนี้แนะมันไม่มันก็เห็นมันม่มีอะไรเกิดขึ้นมาไม่มีใครไปยึด อ๋อเจ้าค่ะ เ, <อ>เพราะว่าเพราะว่าบางทีปฏิบัติไปอย่างฟังที่คุณพี่คนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีอาการแน่นที่ที่หน้าอกแล้วก็พอฟังหลวงตาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแน่นเนี่ยมันคือกําลังเวลาฟังฟังไปมันก็ค่อนข้างอัดแน่นก็ได้ความรู้ว่าไอ้ตรงนี้ก็คือเจ้ากรรมไปเวงก็ตามพบมันเป็นอาการของขันห้าที่เราเข้าไปยึดแล้วพอเราเราเข้าไปถามมันบางทีเราพยายามจะไปปล่อยมันเหมือนกันหลวงตาเพราหนูใช้หนูก็ไม่เท่าทันหนูก็ไปจะไปปล่อยแล้วหนูก็ ไม่มีเทคนิคอะไรเพราะอาการมันมันมันชัดเจนเหลือเกินหนูก็ใช้วิธีถามค่ะว่าหนูก็ใช้วิธีถามว่าเออใครไปรู้อาการแน่นนั้นแล้วก็แล้วก็มันก็รู้รู้อาการแน่นนั้นขึ้นมามันก็มันก็ปล่อยอ่ะค่ะก็ทีนี้พอเจอหลวงตาสักประมาณสิบยี่สิบวันอาการที่ว่ามันมันมันเข้าใจอะไรเงี้ยมันก็ปล่อยไปมันก็เบานะเจ้าค่ะการคาสมาธิก็เปลี่ยนจากเมื่อก่อนด้านๆก็ มันจะมันจะทีแรกมันจะรู้สึกแค่แนั่นแค่ฐานแล้วข้างบนบนมันก็จะเบาๆนะเจ้าคะ่ะแล้วก็มีความรู้เหมือนเหมือนเหมือนมีสติรู้ชัดขึ้นแล้วทีนี้มันก็มีบางวันก็มาเข้าใจว่าไอ้การที่เราจะไปเข้าใจอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาการของขันห้าเหมือนกันคือคือบางทีถ้าเราล่างกายลงไม่ค่อยสบายเนี่ยไอ้ตัวที่เราจะจะไปรู้หรือว่าอะไรเนี่ยมันก็เหมือนจะไม่ชัด สติสมาธิปัญญาก็อ๋อมันเป็นขันห้าแล้วก็ไอตัวสติที่มันที่มันตั้งใจเข้าไปรู้อ่ะเข้าไปกําหนดรู้อ๋อมันก็คือขันห้าแต่พอหนูเหมือนกับร่างกายหนูพักแล้วหนูตื่นขึ้นมาเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็หนูก็มันก็ทําหน้าที่ไปปกติของมันสุดท้ายเมื่อวานก่อนที่ว่าตั้งใจจะมากราบหลวงตานะเจ้าค่ะมันพลิกกลับหมดเลยทั้งวัน ไอ้ที่ปล่อยได้ก็ปล่อยไม่ได้ก็ก็ก็ดูมันไปนะเจ้าคะแล้วก็พยายามจะไม่เข้าสมาธิคือพยายามเดินแล้วก็แล้วก็ดูสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแบบนี้จิตมันตัวตนที่มันจะไปรองรับว่าเราดีเราชั่วเนี่ยมันน้อยลงหนูว่ามีข้อเสียคือหนูไปติดในฝั่งดีว่าพอมันไม่เป็นอย่างใจหนูหนูว่เข้าไปแก้แล้วพอมหนูเห็นตรงนี้ว่ามัน พอหนูไปทํางานเนี้ยค่ะหลงตาตัดเทปไปหนูก็หนูก็ทํางานไปหนูก็ไปเห็นมันก็ผุดขึ้นมาว่าไอ้จริงจไอ้การที่มันปล่อยรู้แล้วอะไรเบาทั้งหมดเรียกว่าสังขารถ้าเราจะไปยึดมันไม่ว่าจะเป็นที่ดีไม่ดีมันมันก็มันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันปล่อยหมดไอ้ที่พริกมาทั้งวันอเจ้าค่ะหลงตาก็ไม่เห็นว่าอ๋อที่ว่าสังขารมันมันมันมันเป็นอย่างนี้นี่เองใจเราถ้าเราเหมือนกับว่าเรา ไม่เท่าทันมันก็จะไปมีตัวเราเข้าไปมีเข้าไปเป็นทุกอย่างและไอไอการที่บางครั้งหนูก็ก็ด้วยความไม่รู้ของหนูอะค่ะหนูก็คิดว่าหนูหนูไม่ได้ปล่อยตัวเองออกจากรู้เป็นเป็นหนูรู้หนูก็เลยพยายามจะไปมองหาตัวรู้นูค่ะนึกตาแต่ว่าพอไปหาทีไรหนูก็ตื้อทุกทีหนูก็เลยบอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้นะมันก็แค่รู้แค่รู้นี่แหละ มันจะอยู่ในปัจจุบันไปเรื่อยเฉพาะหน้าไปเรื่อยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างนี้ก็ใช่ไห ม, ไ ม, ไมเจ้าค่ะหลูงตาเดี๋ยวมันเกิเจ้าติติปัญญามันก็จะเต็มรอบมันเองปฏิบัติอย่างนี้แนะนะให้ตอนเนื่นองไม่ขาดสายเดี๋ยวสติปัญญามันก็เต็มรอบมานเองมันจะมันจะรู้แจง้งเต็มรอบมันเองนะจ้ะเจ้าค่ะถูกต้อง้ครับขอบพระคุณหลวงตาเช่าค่ะ นรักษาการหลวงตาค่ะจริงๆเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมากราบหลวงตาคือเดิมทีนุชปฏิบัติแบบในรูปแบบแล้วก็พอกลับบ้านก็ไม่ทําอะไรเลยก็จะอยู่ระหว่างแน่นๆแบบไปเป๊ะแล้วก็กลับบ้านก็ก็ก็หลงๆไปตามธรรมดาเ ม, มีช่วงหลังๆก็เริ่มเริ่มเริ่มได้ฟังบ้างแล้วก็แต่ก็ยังงงๆอยู่ระหว่างที่ว่าทําเหมือนไม่ทํา ดูเหมือนไม่ดูเลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงเราเราต้องทำไหมเราต้องตั้งไหมหรือเราจะหลงหรือเราจะดูยังไงก็เลยตอนนี้คือพยายามพยายามที่จะทำตามอย่างที่ อ, อย่างที่ได้ฟังพี่ๆที่ได้มากราบหลวงตาเล่าให้ฟังอะคะ่ะว่าดูอย่างไม่ดูทำอย่างไม่ทำมันไม่มีเราถ้าเราเข้าไปดูถ้าเราเข้าไปยึดมันก็คือมีเรา ก็เลยยังงงอยู่บาลานระหว่างระหว่างระหว่างรู้ไม่รู้หลงหรือรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ยังอนุบาลต่อแตะอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่แถวแถวไหนตอนนี้ค่ะมันเอาตัวเราเป็นตัวศูนย์กลางเอาตัวขันหน้าเนี่ย อาตัวขนันห้าเป็นตัวเป็นตัวศูนย์กลางเมื่อกี้ที่เราถามว่าเราทั้งนั้นเนี่ยเราเออหรือเราจะอย่างนี้หรือเราจะอย่างนั้นหรือเราจะอย่างนั้นหรือเราจะอย่างนี้เราเราปฏิบัติโดยเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางอย่างนี้มันก็ปฏิบัติยังไงมันก็ตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามคือเขาไม่ปล่อยวางตัวเราแต่เราปฏิบัติอ่ะเอาตัวเราได้เป็นตัวศูนย์กลางตั้งไว้เลยนี่เราจะปฏิบัติยังไง แล่วก็ไอ้ที่พูดจําไว้จําได้เยอะมากแล้วต่างจําไม่ได้ขนาดนี้เลยจําได้เยอะมากเลยคือเมื่อเราให้ตัวเราเป็นตัวสุนทรีเราทั้งจําทั้งรู้ทั้งละทั้งปล่อยทั้งว่าตัวจำอะไรคือเมื่อเราตัวเราที่้ตัวขันหาเนี่ยช่างจาบช่างจดจ่างจําทั้งคิดทั้งจ้างทุตัวช่างอะไรเนี่ยทั้งประมวลผลเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวกลางเลยหุ่นกลางเลยเหมือนไข่แดงไข่ดาวอ่ะว่าใจไหมเราเราเราปฏิบัติมันเป็นเอาไข่แดงไข่ดาวจะไข่ดาวไหมไอ้ไข่ดาวแล้วก็เราปฏิบัติเป็นเอาตัวเราเป็นไข่แดงออื แต่ความจริงเนี่ยมันต้องมาปล่อยวางไข่แดงแล้วเนี่ยก็คือตัดไข่แดงออกให้หมดอ่ะเหมือนเหมือนคนไม่ชอบกินไข่แดงอ่ะพอได้ไข่ดาวมาแล้วไม่ชอบกินไข่แดงเขาทาไงเขาก็เอาอะไรมาตัดเอาซ่อมเอาเอามีดอะไรมาตัดไข่แดงออกให้หมดแหละพอมาตัดไข่แดงออกหมดอ่ะมันเหลืออะไรไม่ใช่ไอ้ตรงไข่แดงอ่ะที่ตัดพอตัดไข่แดงออกหมดแล้วตรงกลางมันเป็นยังไง ก็เป็นวงว่างๆเดินแหนะเดินแหนะถูกต้องแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไม่ได้ไข่แดงออกมันเอาตัวเราไปเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางเราปฏิบัติกระจายไปรอบทิศมันจะอย่างนู้นหรืออย่างนี้หรืออย่างนั้นหรืออย่างนี้หรืออย่างโน้นอย่างนี้มันเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางไข่แดงเราไม่ได้ตัดไข่แดงตรงกลางพิ้งไปนี่ได้กับมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะ เออไอ้ข้างหน้ากับข้างหลังอะไรมันหายไปดูส <right hat> ิเลหนังสือจบเนี่ยลกหน้าปกปกหน้าปกหลังหนังสือจบสตีอ่ะดูที่ว่าอะไรมันหายไปอ่ะวงตรงกลางหายไปเออแล้วอะไรหายไปอีกวงตรงกลางหายไปแล้วอะไรหายไปเงาก็หายไปด้วยค่ะแล้วอะไรอีกนอกจากเงาแล้วอะไรตัวตัวก็หายไปใช่ค่ะตัวก็หายไปเงาไป ตรงตรงเนี้ยค่ะพระอาจารย์ที่ที่คือคือตัวหายไปกับเอออ่ามันมันหลงหรือตัวหายไปยังยังงงอยู่พระอาจารย์ค่ะมันก็เลยเล ย, เลยบางทีก็ไม่แน่ใจ <Okay. S 2> ค่ะต้องค่อยๆทำไปนะคะต้องสงสัยต้องอ่านหนังสือก่อนให้จบ <laughs> คือคือที่ผ่านมานี่ก็คือทาแบบฟังคนอื่นเขามาแล้วก็คิดว่าเออเอ๊ก็คือพยายามทาตามอย่างที่ที่ฟังจากพี่ๆเขามาค่ะเป็นเป็นแฟนแท้แล้วเดี๋ยวเข้าใจเลยนะเป็นแฟนแท้แล้วเข้าใจเลยอ่านให้มากฟังให้มากรู้เลยลักปฏิบัติให้มากเดี๋ยวเข้าใจกราบณัมสการหลวงตาค่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะพัดมาก็ได้ฟังซีดีหลวงตา ม, มาได้ฟังซีดีหลวงตา ม, มาบ้างนะคะตอนนี้ที่ปฏิบัติก็คือว่าก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าใจมันก็แค่รู้จริงๆนะคะไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรบางอย่างมันติดอยู่ขอโอกาสให้หลวงตามาแนะนำอืมสงสัยอะไรอ่ะก็ไม่ได้สงสัยแต่ไม่รู้แบบเราอาจ ไม่เข้าใจที่เราเข้าใจเนี่ยมันคิดว่ามาถูกทางเพราะว่าความทุกข์มันน้อยลงเข้าใจอย่างไรเนี่ยดูิอธิบายละเอียดเนอ่า <c oughs> คือที่ว่าเข้าใจในเข้าใจอย่างไงปฏิบัติอย่างไรแล้วก็รู้ถึงใจอย่างไรเะเชื่อชยอธิบายหน่สิเราว่าเราเราพูดไม่ เราพุทธศาสน์แลวคนอื่นก็ไปฟังไปรู้ว่าว่าเราเข้าใจยังไงค่ะก็ก็จริงๆก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเห็นก็ดับมันบังคับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างขันห้านะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นมาเราก็แค่รู้แล้วเราก็ไม่ไปแทรกแซงอะไรกับมันก็ยอมรับมันเมื่อเราคือเราเห็นความจริงตรงนี้บ่อยๆบ่อยๆอะค่ะเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันก็เกิดขึ้นของมันเราบังคับมันไม่ได้อยู่ยืนจะดับก็ดับไปไม่รู้จะยึดอะไรนะคะมันก็เลย เลยเหมือนกับว่าไม่ได้ไปทุกอะไรกับมันอะไรมันเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ไปแทกแทงมันก็แค่รู้นะคะธรรม น, นะค ะ, ะมันก็มาจบเหมือนกันหมดเลยเนี่ยคือม า, มาจบลงที่ต้องมาปล่อยวางตัวเราที่บอกว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วเราก็ไม่ไปแทกแทงมันเราก็ไม่ปไปอะไรกับมัน เราเราเราคือเรา่จบตรงที่เราไม่ไปแจ็คแจงเราไม่ไปอะไรกับมันเราแต่ความจริงอ่ะมันมีตัวเรายืนพื้นอยู่ยังมีเออมันยึดตัวเรามันเป็นตัวศูนย์กลางเลยอ่ะยึดตัวเราเป็นตัวศูนย์กลางตัวตัวพื้นเลยแต่แต่โยมก็รู้สึกว่ามันมันมันมันก็แค่รู้อะค่ะเหมือนกับว่าเราเข้าใจว่ามันเหมือนมีอะไรมากระทบมันก็เป็นแค่ทารุรู้แล้วมันก็ตัวนั้นก็หายไปแล้ว ตัวที่เรารู้ก็คือตัวถูกรู้นะคะแล้วทุกอย่างก็จบจบจบจบจบมันไม่มีอะไรที่จะคิดได้เลยอืยอมเข้าใจอะเข้าใจก็ถูกแล้วแหละแต่ต้องมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวในอ่ะตัวในสุดก็คือความรู้สึกว่าเป็นตัวเราอ่ะให้กลับไปดูที่ไม่ใช่อย่ากลับไปปล่อยวางตัวเราให้ปล่อยวางตัวเราที่ผู้ปล่อยวางเขาอ่ะไอ้ตัวเราผู้ปล่อยวางที่ไปรู้เห็นเข้าใจปล่อยวางรู้เห็นเข้าใจปล่อยวางไอ้ตัวเราผู้ไปรู้ไปเห็นเข้าใจปล่อยวาง ป่อยวางตัวเราผู้รู้ผู้เห็นผู้ก่อใจผู้ป่อยวางรู้สึกว่าเราเราป่อยวางมาสบายใจเลยเราป่อยวางได้เยอะเราสบายใจจริงๆป่อยวางได้หมดรู้เห็นเก่อใจทั้งหมดเราสบายใจจริงๆเลยเราป่อยวางได้เราทั้งรู้ทั้งเห็นทั نا, ้งปล่อยวางได้เราสบายใจเราสบายใจปล่อยวางตัวเราเนี่ยผู้สบายใจค่ะผู้ผู้ปล่อลยวางค่ะก็ Beth คือแค่เห็นมันเอเห็นมันด้วยตาใจด้วยตา็นด้วยตาใจว่าเห็นในตัวท่ารู้เหรอคะหลวงตาไม่ใช่เห็นว่าเนี่ยไอ ไอ้ความรู้สึกเป็นเราเนี่ยความปรุงแต่งความดีใจเออปฏิบัติได้ความคิดความนึกความตึกความตองความรู้สึกเป็นตัวเราตัวปรุงแต่งตัวเราควานหาว่าอะไรที่ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ละไม่ปล่อยไม่วางไอ้ตัวที่ตัวเราที่ไปควานหาไปดูไปรู้ไปเห็นอะไรที่ยังไม่ละไม่ปล่อยไม่วางเราก็รู้เห็นเราก็ละแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางก็ละก็ปล่อยก็วางแต่ตัวเราเนี่ยแน่ที่ไปรู้ไปเห็นไปปัดไปกวาดเนี่ยยังไม่ได้วางตัวเราค่ะเราก็เห็นว่าเนี่ยไอ้ความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ย มันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีความไม่มีมาจากความว่างเปล่าความไม่มีอะไรเลยแล้วก็ปรากฏเป็นความรู้สึกเป็นตัวเราขึ้นมาเป็นความคิดความนึกความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกเป็นตัวเราความรู้สึกเป็นเราความรู้สึกเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วก็มีความคิดในความรู้สึกเป็นตัวเราก็มีความคิดความนึกความรู้สึกความคิดตองทุกุกทุกุกอยู่ในนั้นแล้วมันก็ดับกลับไปสู่ความไม่มี จากความไม่มีแลก็มีขึ้นมาสู่ความมีแล้วก็ดับกลับไปสู่ความไม่มีนั่นแหละแล้วใดที่สุดแล้วก็กลายไปเป็นความไม่มีที่ไม่มีผู้จะไปไปรู้ไปละไปปล่อยไปวางอะไรอย่<ภ>าเงยกลายเป็นความไม่มี<ภ>ส่วนขันห้าเขาคงทํางานไปตามหน้าที่ของเขา<ภ>จะว่าจะแตกดับไป